วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ยี่สิบสองมีนาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสามเป็นวันสุดท้ายที่เราจะมาทำกิจกรรมทางศาสนาร่วมกันเพราะนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ คือวันจันทร์ที่ยี่สิบสามเมษายนพุทธศักราชสองพัน้าร้อยหกสิบสามจะขออนุญากิจกรรมทางศาสนาร่วมกันบนเขาเที่ยวนี้คือการมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาทาบุญทาทาน มาปฏิบัติธรรมต้องของดไว้ชั่วข่าวก่อนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโครคไข้หวัดใหญ่เพราะถ้าอยู่ใกล้กันแล้วมาจากทิศ ต, ต่างๆกันไม่ทราบว่ามีใครบ้างที่อาจจะเป็นพาหะ นเชื้อติดมาด้วยแล้วเมื่อมาอยู่ใกล้กันใช้ของร่วมกันใช้ห้องน้ําใช้อะไรร่วมกันใช้เสื่อที่นั่งร่วมกันโอกาสที่จะติดเชื้อจากกันนั่กกันก็จะเป็นไปได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยจึงของด การมาร่วมทำกิจกรรมกันไว้ชั่วคราวก่อนไว้รอให้สถานการณ์คลี่คลายลงกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเราค่อยมาร่วมกันทำภารกิจต่อไปแต่ระหว่างนี้เราก็สามารถทำภารกิจด้วยการแยกกันได้ ถ้าต้องการฟังเทศฟังธรรมก็จะเอาการแสดงธรรมของของเก่ามาโพสไว้ในเ c e b o o k ต่อไปทุกวันแล้วก็มีการเอาข้อความธรรมะต่างๆมาโพสไว้ให้อ่านเช่นเดียวกันส่วนเรื่องการทาบุญทาทานก็สามารถทำได้ โดยในช่วงนี้มีความต้องการความช่วยเหลือจากทางโรงพยาบาลขาดยาขาดเครื่องไม้เครื่องมือในการรักษาพยาบาลคนไข้ดังนั้นถ้าอยากจะทำบุญทำทานก็สามารถทำได้กับโรงพยาบาลต่างๆการทำบุญไม่ว่าจะทำกับใครได้บุญเหมือนกัน ทำบุญกับพระก็ได้บุญทำบุญกับโรงพยาบาลก็ได้บุญบุญคือความสุขใจความอิ่มใจความสบายใจยิ่งช่วงนี้ใจของเราไม่ค่อยสบายกันเวลาที่เราได้ทําบุญเราจะรู้สึกมีความสบายใจดังนั้น ทำได้ทุกแห่งทุกคนที่เราสามารถจะทำกันถ้าไปวัดไม่ได้ก็โอนเงินเข้าทางบัญชีของทางวัดไปก็ได้หรือถ้าทางโรงพยาบาลขาดแคลนเครื่องไม้เครื่องมือขาดแคลนยารักษาโรคต่างๆก็บริจาคให้กับทางโรงพยาบาลก็ได้ ดนั้นเรื่องของการทำบุญทำทานนี้เรายังทำกันได้อย่างต่อเนื่องส่วนเรื่องการปฏิบัติธรรมเราก็สามารถปฏิบัติธรรมที่บ้านได้การปฏิบัติธรรมก็เพื่อทำใจของเราให้สงบเพราะความสงบนี้จะเป็นที่พึ่งของใจจะทำให้ใจเรามีความสุข จะทจะทำให้ไม่มีความทุกข์ความวิตกกังวลต่างๆถึงแม้จะมีเหตุการณ์ร้ายแรงต่างๆปรากฏขึ้นมาก็ตามถ้าใจเรามีความสงบที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมใจของเราจะไม่ว้าวุ่นขุนมัวไม่วิตกกังวลไม่เดือดร้อน ใจของเราจะอยู่เย็นเป็นสุขเหมือนกับเวลาที่ไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงต่างๆเกิดขึ้นมานี่คือประโยชน์ของการทำใจให้สงบที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมที่พวกเราควรพยายามทำกันให้มากไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม พยายามฝึกจิตฝึกใจให้มีสติไว้คอยควบคุมความคิดความอยากอารมณ์ต่างๆที่จะมาสร้างความทุกข์สร้างความไม่สบายให้กับใจถ้ามีสติคอยควบคุมความคิดความอยากอารมณ์ต่างๆใจจะเบาใจจะว่าง ใจจะเย็นใจจะมีความสุขใจกับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกันร่างกายเป็นอะไรก็เป็นเรื่องของร่างกายใจไม่ต้องเป็นไปตามร่างกายได้ถ้ารู้จักแยกใจออกจากร่างกายตอนนี้ใจไปผูกติดอยู่กับร่างกายไปคิดว่าเป็นร่างกาย พอร่างกายเป็นอะไรใจก็เลยเป็นไปกับร่างกายซึ่งเราสามารถที่จะแยกใจออกจากร่างกายได้ไม่ต้องเป็นอะไรไปกับร่างกายไม่ต้องแก่ไปกับร่างกายไม่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยไปกับร่างกายไม่ต้องตายไปกับร่างกาย พอใจกับร่างกายเป็นคนละคนกันใจเป็นผู้รู้ผู้คิดใจไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับร่างกายแต่พอใจมาติดอยู่กับร่างกายแล้วก็ใช้ร่างกายพาให้ใจไปไหนมาไหนใจก็เลยไปหลงคิดว่าใจเป็นร่างกายไป เราจึงต้องมาเจริญปัญญาคือมาศึกษาความเป็นจริงของใจและของร่างกายเพื่อที่เราจะได้แยกใจและร่างกายออกจากกันเราต้องมาศึกษาความเป็นจริงของร่างกายว่าร่างกายนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไร รางกายก็เกิดจากการเอาส่วนของพ่อและส่วนของแม่มาผสมกันมีน้ำสองหยดมารวมตัวกันในน้ำนั้นก็มีธาตดินผสมอยู่เมื่อมารวมตัวกันน้ำสองหยดที่มีธาตดินก็จะเริ่มขยายตัว จากสองเป็นสี่จากสี่เป็นแปดขยายตัวไปเรื่อยๆแล้วก็จะกลายเป็นอาการต่างๆของร่างกายเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันอาการเหล่านี้จะเจริญเติบโตขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ ที่แม่มันดานำเอาเข้าไปในร่างกายธานดมก็ผ่านทางลมหายใจเข้าออกธาตุดินธาตุน้ำก็ผ่านอาหารที่รับก ร, รับประทานเข้าไปดื่มเข้าไปดื่มนม้ำรับประทานอาหารแล้วธาตุไฟก็รับจากแสงอาทิตย์ความร้อนและจาก การมีปฏิกิริยาของธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟก็จะทําให้เกิดมีไฟความร้อนขึ้นมาในร่างกายนี่การทํางานการก่อร่างสร้างตัวของร่างกายอาศัยวัตถุดิบคือดินน้ำลมไฟที่เข้ามาในทางร่างกายของมารดา อย่างต่อเนื่องแล้วก็ส่งผ่านทางสายสะดือเข้าไปในร่างกายของทารกทารกก็ค่อยจเจริญเติบโตขึ้นมาเริ่มมีอาการต่างๆริ่มมีขนมีผมมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูก มีม้ามีหัวใจมีตับมีพังผืดมีไตมีปอดมีลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่มีเยื่อในสมองศีรษะนี่คืออาการต่างๆที่เป็นส่วนแข็งมีรูปมีร่าง นองนา้นี้ก็ยังมีส่วนที่เป็นของเหลวเช่นมีน้ำดีน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำตาน้ำโมกน้ำไขข้อน้ำมูดนี่คืออาการ32ที่รวมตัวกันทำให้เกิดร่างกายขึ้นมาแล้วพอ ร่างกายจเจริญเติบโตเต็มที่ก็คลอดออกมาจากท้องแม่แล้วก็มาเติมทาตดินน้าลมไฟด้วยตนเองตอนที่อยู่ในร่างกายอยู่ในท้องแม่ก็อาศัยทาตดินน้ำลมไฟของแม่หล่อเลี้ยงทางสายสะดือพอคลอดออกมาก็ต้องเริ่มหายใจเอง เอาธาตุนมเข้าไปในร่างกายต่องื่มน้ำเดือมอาหารดื่มนมเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงร่างกายต้องมีเครื่องนุ่งหม่มมีเสื้อผ้าเพื่อรักษาความร้อนของร่างกายไว้เพื่อจะได้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายก็จะค่อยจเจริญเติบโตขึ้นมาเพราะมีการเติมธาตุอยู่ ตลอดเวลามีลมมีการเติมธามตุลมทั้งเวลานาทีธาตุน้ำเวลาหิวน้ำก็เติมน้ำเข้าไปธาตุดินเวลาหิวข้าวก็เติมข้าวเข้าไปธาตุไฟก็ได้จากความร้อนของแสงแดดของดวงอาทิตย์และความร้อนของอาหารที่รับประทานเข้าไป ร่างกายก็เลยจเจริญเติบโตขึ้นมาอาวัยวะต่างๆก็เริ่มใหญ่โตขึ้นตามลาดับนี่คือร่างกายของพวกเราทุกคนไม่มีตัวเราอยู่ในร่างกายอันนี้ร่างกายนี้เป็นร่างกายที่มีอาการ32แต่ตัวเราไม่ได้อยู่ในร่างกาย ตัวเราคือผู้คิดผู้รู้อยู่ที่ใจอยู่อีกคนหนึ่งเป็นอีกคนหนึ่งมาเกาะติดร่างกายตอนที่ร่างกายเริ่มก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาที่เรียกว่ามีการปฏิสนธนะิการปฏิสนธินี้เก็ดะนได้ต่อเมื่อมีส่วนสามส่วนมารวมตัวกันคือส่วนของบิดาส่วนของมันดา แะส่วนของจิตวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณก็คือใจนี่แหละผู้รู้ผู้คิดที่กําลังหาร่างกายพอมีการก่อร่างสร้างตัวของร่างกายมีธาตุของพ่อกับธาตุของแม่มารวมกันจิตวิญญาณก็มาปฏิสนธิมารวมกัน ทำให้ร่างกายก่ อ, อร่างสร้างตัวขึ้นมาได้ถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งการก่อร่างสร้างตัวของร่างกายก็เกิดขึ้นมาไม่ได้ น, น, นี่คือที่มาของร่างกายและจิตใจมารวมตัวกันในท้องมารดาแล้วก็จเจริญเติบโตขึ้นมาจนคลอดออกมา พอค้อดออกมาแล้วจิตที่มาติดกับร่างกายก็เป็นผู้สั่งการสั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆด้วยความรู้สึกนึกคิดจิตนี้มีความรู้สึกนึกคิดและมีความรับรู้สิ่งต่างๆที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายของร่างกาย มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมาสัมผัสที่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วพอสัมผัสกันใจก็มีตัวรับรู้ตัวรับรู้นี่เรียกว่าวิญญาณวิญญาณในขันหา้าวิญญาณทางตาก็รับรู้รูปวิญญาณทางหูก็รับรู้เสียงวิญญาณทางกลิ่นก็รับรู้ทางจมูก วิญญาณทางรสก็รับรู้ทางลิ้นวิญญาณทางความสัมผัสความรู้สึกทางร่างกายก็รับรู้ทางร่างกายพอรับรู้เวลาที่มีการสัมผัสรู้ว่ารูปเสียงกลิ่นรสมีปรากฏขึ้นมาก็จะเกิดความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ขึ้นมาจากการได้รับรู้ได้สัมผัส กับรูปเสียงกลิ่นรสที่ร่างกายที่ทางตาหูจมูกนิ่นกายพอมีความรู้สึกสุขหรือทุกข์ก็เกิดความคิดความสั่งขึ้นมาถ้าเป็นความสุขก็สั่งให้ร่างกายพยายามหามาหรือพยายามรักษาไว้ถ้าได้มาแล้วถ้าเป็นความรู้สึกทุกข์ก็สั่งให้ร่างกายคอยกาจัดนี่คือ การทำงานของร่างกายและจิตใจใจเป็นผู้สั่งการร่างกายเป็นผู้รับคำสั่งใจเป็นนายกายเป็นบา่าวนี่คือการมาร่วมทำงานร่วมกันระหว่างร่างกายกับใจใจต้องการร่างกายเพราะถ้าขาดร่างกายไม่มีร่างกาย ใจก็จะไม่มีเครื่องมือหาความสุขให้นั่นเองใจอยากจะมีความสุขจากการดูจากการฟังจากการลิ้มรสจากการดมกลิ่นจากการสัมผัสสิ่งต่างๆผ่านทางร่างกายจึงต้องมีร่างกายจึงต้องมาเกาะติดกับร่างกายเวลาที่มีการก่อร่างสร้างตัวของร่างกาย เกิดขึ้นในท้องของมารดาแล้วพอคลอดออกมาก็ใช้ร่างกายไปหาสิ่งต่างๆที่ใจอยากได้ใจอยากได้รูปอยากได้เสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสที่เรียกว่าผลทัปภะที่มากระทบกับร่างกายเช่นความเย็นความร้อนความนุ่มความแข็งะ เป็นผลทัพพระที่ทำให้เกิดมีความรู้สึกสุขรู้ทุกข์ถ้าเป็นสุขก็ก็พยายามหามารักษาไว้ถ้าเป็นทุกข์ก็ต้องคอยกำจัดไปนี่คือการร่วมทำงานของกายและใจการที่ใจต้องมาพึ่งร่างกาย จึงทำให้ใจนี้รักและหวงร่างกายเพราะต้องการให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดเวลาพอร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์สามารถตอบสนองความต้องการของใจได้อยากจะดูอะไรก็ได้ดูอยากจะฟังอะไรก็ได้ฟังนะแต่พอร่างกายมีปัญหาขึ้นมาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่สามารถตอบสนองความอยากความต้องการของใจได้ใจก็จะเครียดใจก็จะทุกข์ขึ้นมานะนะนี่คือปัญหาความเครียดของใจของพวกเราทุกคนที่เครียดจากการไม่สามารถทำหน้าที่ของร่างกายได้นั่นเองเช่นะนเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือ ยังไม่ทันเจ็บไข้ได้ป่วยเพียงแต่รู้ว่าอาจจะมีโอกาสที่จะทำให้ร่างกายนี้ไม่สามารถทําหน้าที่ตอบสนองความต้องการของใจได้ใจก็เกิดความวุ่นวายขึ้นมาเกิดความเครียดเกิดความวิตกกังวลขึ้นมาทันทีทั้งๆ ท, ท, ที่ร่างกายยังไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยเลยแต่ ก็รู้ว่าจะทำอะไรก็ต้องระมัดระวังถ้าไม่ระมัดระวังถ้าพลาดก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อโรคทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยและอาจจะตายไปได้สำหรับคนบางคนพอรู้ความเป็นจริงว่านี่คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับร่างกายของตนได้ใจก็เลย ไม่มีความสุขมีแต่ความวิตกกังวลนี่เป็นเพราะว่าใจพึ่งร่างกายอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆให้กับร่างกายนั้นเองแต่ถ้าใจได้พบกับคนฉลาดคือพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ท่านจะสอนว่า มีวิธีหาความสุขอีกวิธีหนึ่งวิธีที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขวิธีหาความสุขอีกวิธีหนึ่งหาจากการปฏิบัติธรรมจากการสร้างธรรมที่มีอยู่ในใจให้มีมากขึ้นให้มีกําลังมากขึ้นเมื่อธรรมที่มีอยู่ในใจได้รับการพัฒนา ให้มีมากขึ้นก็จะทำให้สามารถทำใจให้สงบและเมื่อใจสงบก็จะมีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากทางร่างกายเนะี่ยพวกเราโชคดีที่พวกเราได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุพะทธธรรมหรือพระสงฆ์อยู่ในโลกนี้ที่จะสอนที่จะบอกให้เรา มาหาความสุขอีกวิธีหนึ่งหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเพราะถ้าเราสามารถมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเวลาร่างกายเป็นอะไรไปเราก็จะไม่เดือดร้อนเราก็จะมีความสุขได้เหมือนกับตอนที่ล่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ตอนที่ล่างกายสามารถไปหาความสุขอะไรต่างๆ ให้กับเราได้นะครแต่ความสุขที่เราได้จากการสร้างธรรมะขึ้นมาในใจนี่จะเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากทางร่างกายเพราะหนึ่งเป็นความสุขที่ถาวรกว่านั่นเองเป็นความสุขที่เราสามารถรักษาไว้ให้เป็นของเราไปได้ตลอดแต่ความสุข ที่เราได้ผ่านทางร่างกายนี้เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่เราไม่สามารถรักษาให้อยู่กับเราไปได้ตลอดเพราะเมื่อเวลาที่ร่างกายตายไปความสุขต่างๆที่เราได้ผ่านทางร่างกายก็ต้องสูญหายไปหมดแต่เราก็จะทำให้ใจเราไม่มีความสุข จะมีความสุขได้ก็ต้องไปมีร่างกายอันใหม่แต่การมีร่างกายอันใหม่มันก็มีปัญหาอย่างที่เรารู้กันปัญหาคือความแก่ความเจ็บความตายปัญหาคือความอดยากขาดแคลนในปัจจัยสี่ที่จะมาเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุขงนั้นการหาความสุขผ่านทางร่างกาย จึงเป็นการหาความทุกข์ไปด้วยในตัวเพราะความทุกข์ในการเลี้ยงดูร่างกายความทุกข์ของความแก่ความเจ็บของก็แลความตายของร่างกายที่มันจะต้องเกิดขึ้นตามมาทุกครั้งที่มีร่างกายถ้าอยากจะหาความสุขแบบที่ไม่มีความทุกข์ ก็ต้องไม่หาความสุขผ่านทางร่างกายให้หาความสุขจากการปฏิบัติธรรมทำที่จำเป็นที่จะต้องสร้างขึ้นมาเพื่อทำให้ใจมีความสุขก็คือสติและปัญญานี่เองสตินี้จะทำให้จิตสงบแล้วทำให้เกิดความสุขเกิดขึ้นมาจากความสงบ ส่วนปัญญาจะเป็นธรรมที่จะสอนใจให้คอยกำจัดสิ่งที่จะมาทำลายความสงบที่ได้จากการเจริญสติกนะ็คื อ, อาการเห็นไตรลักษณ์การเห็นอริยรรสัจสี่การเห็นว่าความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆเกิดจากความอยากของใจ นล่เป็นความอยากที่ไม่สามารถที่จะตอบสนองได้อเช่นความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเป็นความอยากที่ไม่สามารถตอบสนองได้เพราะร่างกายโดยธรรมชาติของมันเมื่อมันเกิดมาแล้วมันก็ต้องแก่มันก็ต้องเจ็บมันก็ต้องตายแต่ถ้ามี มีความสามารถที่จะหาความสุขจากความสงบได้จากสติได้ก็ไม่จาเป็นที่จะต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขความอยากที่จะให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะหมดไปว่าเมื่อสามารถหาความสุขได้โดยไม่ต้องใช้ร่างกายก็เลยไม่ต้องไป กังวลเกี่ยวกับเรื่องความแก่ความเจ็บความตายเพอไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขสามารถหาความสุขจากการทำใจให้นิ่งให้สงบได้ก็จะสามารถตัดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายของร่างกายได้ร่างกายจะแกะ่ก็ต้องปล่อยให้มันแก่ไป ร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องปล่อยให้มันเจ็บไปร่างกายจะตายก็ต้องปล่อยให้มันตายไปเพราะไม่มีใครในโลกนี้ไม่มีร่างกายของใครในโลกนี้ที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกัแก่เจ็บตายกันมาไม่รู้กี่แสนล้านคนนะไม่ไม่ใช่เพิ่งมาแก่เจ็บตายในช่วงที่มีข่าวในตอนนี้ฮตอนนี้มีคนตายไม่กี่พันคนเราตื่นตระหนกกัน ก่อลาหนกันเมืองไทยมีคนตายจากการติดเชื้อโรคหนึ่งคนคนไทยหกสิบล้านเจ็ดสิบล้านคนนี้วุ่นไปหมดเลยอพราอไม่รู้รลืมความจริงว่าคนทั้งหมดเจ็ดสิบล้านคนที่อยู่ในเมืองไทยนี้เดี๋ยวก็ต้องตายกันหมดไม่มีใครไม่ตายเมื่อเกิดมาแล้วทุกคนร่างกายของทุกคนนี้จะต้องตายไปกันหมดะ แต่เมื่ก่อนนี้เราอาจจะตายกันแบบเงียบๆไม่มีข่าวาวมันก็เลยเหมือนกับว่าไม่มีคนตายเพราะเราไม่รู้ไม่มีข่าวถ้าเราไปศึกษาสถิติตามโรงพยาบาลต่างๆหรือถ้ามีสถิติที่ทางราชการรวบรวมไว้เราจะเห็นว่าปีนึ่างนี้มีคนตายกี่ล้านคนกี่แสนคนมีคนเกิดกี่แสนคน มันมีเกิดทุกวันมีตายทุกวันอยู่แล้วมีเจ็บไข้ได้ป่วยกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วมีโรคภัยไข้เจ็บชนิดชนิดต่างๆอบา ง, งคนก็เจ็บทางปอดบางคนก็เจ็บทางหัวใจเจ็บทางลำไส้เจ็บทางตับเจ็บทางไตมีสารพัดโรคตามโรงพยาบาลต่างๆมี่คนเจ็บไข้ได้ป่วย เข้าโรงพยาบาลทุกคนมีคนตายในโรงพยาบาลทุกวันมีคนหายก็มีหายแล้วเดี๋ยวก็กลับเข้าไปใหม่เพราะว่าไม่ช้าก็เร็วร่างกายของทุกคนก็ต้องไปสู่จุดหมายปลายทางของร่างกายคือความตายนั่นเองนี่คือสิ่งที่เราควรจะมาศึกษากันเกี่ยวกับเรื่องของร่างกาย เพื่อที่เราจะได้รับรู้และยอมรับความจริงเพราะว่าเป็นความจริงที่ไม่มีใครสามารถไปเปลี่ยนแปลงได้ไปห้ามไม่ให้เกิดขึ้นได้ความอยากไปเปลี่ยนแปลงหรือความอยากไปห้ามความจริงไม่ให้เกิดขึ้นนี่แล้วเป็นตัวที่ทำให้ใจทุกขกันวุ่นวายกันพอศึกษาความจริงแล้ว พอรู้แล้วว่าเป็นความจริงที่ไม่มีใครไปห้ามไปเปลี่ยนแปลงได้พอใจยอมรับความจริงอันนี้ความอยากที่จะเปลี่ยนแปลงความจริงมันก็จะหายไปหยุดไปพอมันหายไปหยุดไปใจก็จะสงบใจก็จะไม่ทุกข์กับการอกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายไม่ว่าจะเป็นความแก่ แม่ว่าจะเป็นโรคภัยไค้เจ็บต่างๆไม่ใช่แต่เฉพาะโรคหวัดเดี๋ยวพ้นจากโรคหวัดนี้คิดว่าจะแม่ตายนะเดี๋ยวมันก็มีโรคอื่นนอเราอยู่ข้างหน้าอีกนั่นแหละทุกคนมีโรคเพราะร่างกายนี้เป็นที่อยู่ของโรคต่างๆโรคตับมันก็อยู่ที่ตับใช่ไหมโรคไตมันก็อยู่ที่ไตเอ่โรคปอดมันก็อยู่ที่ปอดโรคหัวใจมันก็อยู่ที่หัวใจ เราเกิดมานี่เรามีโรคติดตัวมาตั้งแต่วันเกิดนะเพียงแต่มันยังไม่กำเริบเท่านั้นเองมันจะมากำเริบตอนที่ร่างกายเราแก่ร่างกายเราไม่มีกำลังที่จะรักษาโรคได้มันก็เลยกำเริบขึ้นมาถ้าเราศึกษาอยู่เรื่อยๆบ่อยๆเราจะยอมรับความแก่กัน เราจะยอมรับความเจ็บคไายได้ป่วยกันเราจะยอมรับความตายกันแล้วเราจะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไปกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายถ้าเรายังรับไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังทําใจให้สงบไม่ได้เท่า น, นั้นเองเราจึงต้องมาทําใจให้สงบก่อนมาเจริญสติ มาฝึกสมาธิกันทำใจให้สงบก่อนว่าเมื่อใจเราสงบแล้วเวลาเราสอนความจริงให้กับใจเกี่ยวกับร่างกายใจก็จะรับได้ใจก็จะเฉยใจก็จะปล่อยวางร่างกายได้ตอนนี้ปล่อยวางไม่ได้ก็เพราะใจยังไม่มีความสงบไม่มีความสุขในตัวเอง ยังพึ่งความสุขผ่านทางร่างกายอยู่จึงปล่อยร่างกายไม่ได้ยังติดร่างกายเหมือนคนติดยาเสพติดคนติดยาเสพติดนี่จะเลิกไม่ได้ถ้าไม่มียัดสิ่งอื่นมาทดแทนถ้ามีสิ่งอื่นมาทดแทนก็จะเลิกสิ่งที่เคยติดได้ดัง น, นั้นตอนนี้พวกเรายัง ติดอยู่กับการหาความสุขผ่านทางร่างกายอยู่ทำให้เรายึดติดกับร่างกายทำให้เราอยากให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอยู่ตลอดเวลาทำให้เรารับความจริงของร่างกายไม่ได้รับความแก่ไม่ได้รับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายไม่ได้รับความตายของร่างกายไม่ได้แต่ถ้าเรามาฝึกสติ มาฝึกสมาธิมาทาใจให้สงบเนี่ยถ้าทาใจให้สงบได้แล้วจิตจะมีความสุขในตัวเองนั่นเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้ผ่านทางร่างกายก็จะทำให้สามารถยุติการหาความสุขผ่านทางร่างกายได้ในเมื่อเรามีความสุขที่ดีกว่า เรื่องอะไรเราจะไปหาความสุขที่ได้วกว่าถ้าเราได้แบงค์พันเรามีและแบงค์สิบมีคนเขามาขอเอาแบงค์พันธ์มาแลกแบงค์สิบเราก็ยินดีเอาไปเลยแบงค์สิบขอให้ได้ได้แบงค์พันธ์อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราได้ความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วก็เหมือนได้แบงค์พันธแบงค์สิบที่มีอยู่ใครอยากจะได้ก็ให้เขาไป ถ้าเรามีแบงค์พันแนละ้วแบงค์สิบแบงค์ยี่สิบนี่ก็จะไม่มีความหมายแต่ถ้าไม่มีแบงค์พันนี่แบงค์ยี่สิบมันก็ยังมีความหมายอยู่ตอนนี้เรายังไม่มีความสุขจากความสงบกันการหาความสุขผ่านทางร่างกายเลยเป็นสิ่งที่เรายังต้องมีกันถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆ เป็นความสุขที่มีความทุกข์มีความวิตกกังวลแถมมาด้วยก็ตามแต่มันก็ดีกว่าไม่มีเลยแต่พอเราได้ความสุขจากความสงบแล้วนี่เราจะเห็นว่าอความสุขที่เกิดจากความสงบนี้มีความสุขมากกว่าหลายเท่าแล้วก็ไม่ต้องมาทุกข์มากังวลกับความสุขที่ได้จากความสงบเพราะเป็นความสุขที่ เราสามารถหาได้ตลอดเวลาเพราะเครื่องมือที่เราหาไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายเหมือนร่างกายนั่นเองคือใจของเราสติปัญญาของเรานี้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเหมือนกับร่างกายเราก็จะมีความมั่นใจในความสุขที่เกิดจากความสงบเราก็จะเลิกใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้ พอเราไม่ใช้ร่างกายร่างกายเป็นอะไรก็ไม่เป็นปัญหากับเราอีกต่อไปนี่แนละคือสิ่งที่พวกเราจะต้องมาทำกันถ้าพวกเราอยากที่จะแก้ปัญหาคือความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆของพวกเราที่มีกันอยู่ในขณะนี้เพราะเรายัางพึ่งร่างกายอยู่ยังต้องอาศัยร่างกาย เป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆให้กับเราอยู่เราต้องเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการหาความสุขผ่านทางร่างกายมาหาความสุขจากผ่านการปฏิบัติธรรมจากการเจริญสติจากการนั่งสมาธิและจากการเจริญปัญญาตามลําดับนะนี่แหละคือ เรื่องของการปฏิบัติที่พวกเราจะต้องมาปฏิบัติกันถ้าเราปฏิบัติแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ได้เพราะมันก็เป็นเหมือนกับการไปเรียนวิชาต่างๆทางโลกเวลาที่เราไม่เคยได้เรียนเราก็จะรู้สึกว่าเราทำไม่ได้มันยาก เ, าเช่นวิธีวิชาดำน้ำนี่ ถ้าเราไม่เคยดำน้ํามาก่อนเราก็เห็นคนอื่นเขาดำเราก็ไม่รู้ว่าเราจะดำได้หรือเปล่าแต่พอเราไปเรียนรู้วิธีดำเขาสอนมีคนสอนว่าจะต้องทําอย่างไรบ้างเบื้องต้นถ้าว่ายน้ําไม่เป็นก็สอนว่ายน้ําก่อนออพอว่ายน้ําเป็นแล้วก็สอนวิธีดำน้ำํามีไทวิธีใช้เครื่องหายใจเวลาลงไปในน้ำํำ พอได้ยินได้ฟังได้เรียนรู้แล้วได้ฝึกได้ปฏิบัติเดี๋ยวก็สามารถทำได้อย่างชํานาญจนต่อไปก็กลายเป็นครูสอนคนอื่นได้เพราะครูที่สอนเราก็เหมือนเราเขาไม่ได้เกิดมาจากท้องแม่แล้วเป็นมนุษย์ดำน้าได้เลยที่ไหนเขาก็ต้องมาเรียนรู้วิธีดำน้าก่อนพอเขาเรียนรู้แล้วเขาก็ปฏิบัติทำตามที่ได้เรียนรู้ เดี๋ยวเขาก็าเกิดความชานาญขึ้นมาสามารถดำน้ำนาน้ำได้อย่างคล่องแคล่วอย่างว่องไวแล้วก็ต่อไปก็สามารถสอนผู้อื่นได้การมาปฏิบัติธรรมนี่ก็เป็นเหมือนกับการมาดำน้ำเราเคยอยู่แต่บนบกตอนนี้เราจะลองมาอยู่ใต้บาดาลบ้าเราเคยใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุ ตอนนี้เราจะเลอกใช้ร่างกายหาความสุขแล้วเรามาใช้สติสมาธิปัญญามาเป็นเครื่องมือหาความสุขกัน <c oughs> เราก็ต้องมาเรียนรู้วิธีสร้างสติเรียนรู้วิธีสร้างสมาธิเรียนรู้วิธีสร้างปัญญาพอเรียนรู้แล้วเราก็นำเอาไปปฏิบัติวิธีที่จะทำให้เกิดสติขึ้นมา ก็คือหนึ่งเราต้องมีเวลาก่อนเราต้องหาเวลาว่างการที่จะหาเวลาว่างได้เราก็ต้องหยุดทํากิจกรรมทางร่างกายนั่นเองเพราะทุกวันนี้เราต้องเราอยากมีความสุขกันเราก็ต้องทํากิจกรรมผ่านทางร่างกายกันไปดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวไปกินไปเดิมกันเรียกว่ากิจกรรมทางตาหูจมกูกรินกาย เพื่อให้เรามีความสุขกันแต่ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนวิธีหาความสุขเราก็ต้องหยุดชั่วข่าวหยุดการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายชั่วข่าวในวันที่เราหยุดทำงานปกติเวลาที่เราหยุดทำงานเราก็จะไปหาความสุขทางร่างกายกันไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไปดูที่ดูไปฟังอะไร ไปชอปปิ้งไปซื้อของอะไรต่างๆเพื่อให้มีความสุขกันในถ้าเราต้องการที่จะมาหัดวิธีหาความสุขจากการเจริญสติสมาธิปัญญาเราก็ต้องหยุดการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันวันหยุดทำงานแทนที่จะไปเที่ยวก็หยุดเที่ยว ด้วยการไปอยู่วัดไปอยู่ตามสถานที่มีการสอนวิธีปฏิบัติสติสมาธิปัญญาสถานที่เราจะไปอยู่เขาก็จะห้ามไม่ให้เราทำกิจกรรมทางตาหูจมูกนิ้นกายกันก็คือให้เราถือศีลแปดกันนั่นเองเนะพราะศีลแปดนี้จะห้ามกิจกรรมทางร่างกายทั้งหมดนะ ไม่ว่าจะเป็นการร่วมหลับนอนกันไม่ว่าจะเป็นการดื่มการรับประทานอาหารตามความอยากกันอนุ ญ, ญาตให้ดื่มให้รับประทานตามความต้องการของร่างกายได้เช่นไม่ให้เกินเที่ยงวันร่างกายได้ดื่มได้รับประทานอาหารประมาณเที่ยงวันนี้ก็เหลือเฟือแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ต้องกินอาหาร แต่ถ้าน้ำยังอนุญาตให้ดื่มได้แต่ควรจะดื่มน้ําเปล่าไม่ควรจะดื่มน้ําที่มีรสเพราะรสมีกลิ่นมีสีก็เป็นการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสของน้ํานั่นเองก็ให้ดื่มเพื่อร่างกายอย่าดื่มเพื่อความสุขทางจิตทางความทางความอยากไม่กินอาหารหลังเที่ยงวันแล้วก็ม งดการไปเที่ยวตามแหล่งบันเทิงต่างๆร้องนําทําเพลงดูภาพยนตร์ดูละครแบร่วม ง, งานเลี้ยงต่างๆหยุดหมดซึ่งตอนนี้จาง เ, าเพื่อนเราคือโควิด19ก็มาบังคับพวกเราโดยปริยายเดี๋ยวนี้ห้ามออกนอกบ้านห้ามหลอกไปเที่ยวไปตามแหล่งบันเทิงต่างๆเดี๋ยวนี้ปิดหมดใช่ไหม แหล่งบันเทิงต่างๆโรงภาพยนตร์โรงนะครบาผับอะไรต่างๆนี่ปิดหมดนี่ก็ถือว่าเป็นบุญของพวกเราอยู่ดีๆก็ได้ถือศีลแปดโดยอัตโนมัติถ้าไม่มีโรคภัยไข้เจ็บระบาดตอนนี้ก็ยังไปวิทยวาดกันอยู่ต่ตามแหล่งบันเทิงต่างๆตามบาร์ตามผับกันต่างๆ พอมีโรคระบาดที่นี้ก็ถือศีลแปดกันอยู่บ้านกันแต่อยู่บ้านแบบเครียดเพราะว่าไม่รู้จักวิธีหาความสุขจากการทำใจให้สงบนั่นเองแต่สําหรับผู้ที่ได้เคยไปเรียนรู้วิธีฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาก็จะรู้สึกไม่เดือดร้อนเพราะว่าได้ปฏิบัติมาแล้วได้ถือศีลแปดมาแล้ว ทีนี้ได้รู้จักวิธีทําใจให้สงบแล้วไม่ต้องไปเที่ยวตามบาตามผับก็มีความสุขได้ไม่ต้องดูหนังฟังเพลงก็มีความสุขได้ไม่ต้องกินไม่ต้องเดิมอะไรก็มีความสุขได้นี่คือเรื่องของการเปลี่ยนวิธีการหาความสุขจากการหาความสุขผ่านทางร่างกาย หาความสุขจากการปฏิบัติธรรมอพอเราหยุดกิจกรรมการหาความสุขทางตาหูจมูกนินก้วมือเราก็จะมีเวลาว่างพอหลังจากเที่ยงวันไปแล้วกินอาหารกลางวันเสร็จแล้วทีนี้ก็ว่างแล้วถ้าเราไปอยู่ตามสถานที่ปฏิบัติธรรมนี้เขาไม่มีอะไรให้ทํานอกจากปฏิบัติธรรมทำ ข้อแรกที่เขาจะสอนเนี่เราปฏิบัติก็คือสติสตินี้เป็นเหมือนกอไก่ขอไข่ของการเรียนหนังสือเนะี่ยการจะเรียนหนังสือเราก็ต้องเริ่มต้นที่กอไก่ขอไข่การที่เราจะปฏิบัติทําใจให้สงบเราก็ต้องเริ่มที่การจเจริญสติวิธีจเจริญสติก็ต้องใช้กรรมาฐานคืออารมณ์ที่จะ ใช้ในการควบคุมจิตไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้จิตตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันนะไม่ให้จิตลลยลอยไปกับกระแสความคิดปุุงแต่งที่เป็นเหมือนกระแสน้ำจิตเราเนี้ยมีกระแสน้ำคือกระแสของความคิดตั้งแต่เช้ามานี้เราคิดกี่เรื่องมาละไหลไปเรื่อยคิดเรื่องนี้แล้วก็คิดเรื่องนั้นไหลามาต่อ เรื่องนี้ผ่านไปเรื่องนั้นก็ไหลมาต่อไหลอยู่ตลอดเวลา <c oughs> ใจเราเลยไม่เคยนิ่งเป็นเหมือนเรือที่ไหลไปตามกระแสน้ำจะให้จอดท่าเรือมันก็ไม่จอดพอพอเรือไม่นิ่งจะขนสินค้าขึ้นลงก็ขนไม่ได้จะขนขนขึ้นลงท่าเรือก็ขนไม่ได้เพราะมันไหลไปตามน้ำอยู่เรื่อย วิธีที่จะมันให้เรือนิ่งก็ต้องมีอะไรผูกเรือไว้กับท่าเรือมีเชือกผูกไว้กับท่าเรือหรือมีสมอทอดลงไปในน้ำสมอก็จะเกาะติดกับดินเรือก็จะไม่สามารถไหลไปตามกระแสน้มได้วิธีทอดสมอใจก็เหมือนกันการที่เราต้องการให้ใจเรานิ่งให้ใจเราไม่ไหลไปตามกระแสความคิดเราก็ต้องใช้กรรมฐาน เป็นเครื่องผูกใจนั่นเองอกรรมฐานนี้มีอยู่หลายชนิดด้วยกันมีชนิดสำหรับผู้เริ่มต้นและมีชนิดสำหรับผู้ที่ก้าวหน้าไปแล้วสำหรับผู้เบื้องต้นนี้ก็จะใช้อนุสติต่างๆอนุสติคือให้เราเล่าเลิกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเช่นเราเลิกถึงพระพุท ธ, ธเจ้าก็เรียกว่าพุทธานุสติ น่าึกถึงพระธรรมคําสอนต่างๆก็เรียกว่าธรรมานุสติเช่นตอนนี้พวกเราจะได้ยินได้ฟังว่าให้สวดมนต์บทนั้นบทนี้กันสวดนัตรรนาสวดสวดมงคลต่อสตรนี่ก็เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าการสวดมนต์ก็เรียกว่าเป็นการเจริญธรรมานุสติเป็นการเจริญคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าให้ใช้การบริกรรมพุทธทก็เรียกว่าเป็นการเจริญพุทธานุสติหรือให้สวดบทอิติปิโสก็เป็นการเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติและสังขานุสตินี่คือวิธีการที่จะผูกใจของเราไม่ให้ไหลไปตามกระแสความคิดที่มีอยู่ในใจเราถ้าเราอยู่กับการเจริญสติ กระแสความคิดต่างๆมันก็จะไม่มาดึงใจเราไปกับมันแล้วเดี๋ยวกระแสความคิดมันก็จะหยุดพอมันหยุดแล้วใจก็จะว่างจะเย็นจะสบายเจนตอนนี้กระแสความคิดอะไรที่เข้ามาในใจเราอยู่เรื่อยๆกระแสความคิดของโรคระบาดนี่เริ่มมาตื่นมาแต่เช้ามันก็เริ่มมาเลยวันนี้ติดเชื้อกันกี่คนแล้วตายกันกี่คนแล้ว มีประกาศใหม่ๆอะไรขึ้นมาหรื อ, อยังมันจะไหลมาอยู่ตั้งแต่ตื่นจน ถ, ถึงเวลาหลับเลยแต่ถ้าเรามาฝึกอัจเจณาอนุสติกันพุทธานุสติสวนอิติปิโสไปถ้าเราสวดไปสักระยะหนึ่งแล้วกระแสความคิดเกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดมันก็จะหายไปแล้วความวุ่นวายใจความเครียด ความกังวลใจกับเรื่องของโรคระบาดมันก็จะหายไปชั่วคราวนะเพราะว่าเรามีอารมณ์อย่างอื่นเข้ามาทดแทน เ, นเรามีกรรมฐานที่มาทำให้อารมณ์คือความสงบปรากฏขึ้นมานยอย่างนั้นถ้าตอนนี้พวกเราเครียดกั น, นมาฝึกอนุสติกันเถิดมาฝึกสติ ยังไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้การฝึกสตินี้สามารถทาได้ในทั้งสี่เรียบทเดินยืนนั่งนอนไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ท้ายิ่งตอนนี้เราไม่ต้องไปทำงานกันไม่ต้องใช้ความคิดในเรื่องงานกันเราก็จะสามารถเจริญอนุสษษติต่างๆได้เลือกได้ไม่ไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้อันใดอันหนึ่ง แทนกันได้จะใช้พุทธานุสติคือเราเลอกคำว่าพุโทโธคาเดียวก็ได้หรือจะใช้การสวดอิติปิโสไปก็ได้ข้อสำคัญคือต้องทำนานๆทำยาวๆไม่ใช่ทำแค่รอบหนึ่งจบแล้วก็คิดว่าความคิดมันจะหยุดมันไม่หยุดนะต้องท่องไปเรื่อยๆสวดไปเรื่อยๆภายในใจถ้าไม่ส่งเสียงได้จะดีจะไม่ได้ไม่เหนื่อย สวดไปภายในใจสวดไปนานๆอย่าไปสนใจกับความคิดที่มันเข้ามาอย่าไปตามคิดอย่าไปตามรู้กับความคิดให้ตามรู้กับบวชสวดอิติปิโสหรือการเจรินพุทธานุสติคือพุทโธพุทโธเนี่ยถ้าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆต้องใจเย็นๆทำจะเห็นผลนี่บางทีต้องครึ่งชั่วโมงไปแล้วชั่วโมงหนึ่งไปแล้ว ใจถึงจะเบาถึงจะว่างได้เพราะกระแสความคิดมันแรงเราที่จะอยู่ดีๆจะสวดแค่รอบเดียวจบเดียวนี้ไม่หยุดมันไม่ได้แต่ถ้าเอาซักร้อยจุดน้อยรอบนี้นับนดองได้ว่าหยุดมันได้สวดมันไปเไรื่อยๆถ้ามันยังไม่หยุดคิดเราก็สวดไปแล้วก็อย่าหยุดสวดมันคิดได้เราก็สวดได้เพราะความคิดเกี่ยวกับการสวดมันก็เป็นความคิดเหมือนกัน เป็นไงวความคิดหนึ่งคิดทำให้เราเครียดความคิดหนึ่งคิดทำให้เราหายเครียดเราไม่อยากหายเครียดกันเลยอถ้าเราอยากหายเครียดเราต้องอยากขี้เกียจเจรณนุสติกันพุทธานุสติก็ได้อิติปิโสสวดอิติปิโสก็ได้ตอนนี้เขาให้สวด ร, รัตนสูตรก็สวดกันถ้าถ้าเราจำไม่ได้ไม่รู้ก็ไม่ต้องกังวลสวด บทที่เราจําได้ถ้าเราจําบทพุทธคุณอิติปิโสได้เราก็เอาอิติปิโสไปบางคนจําบทมงคลสูตรได้ก็สวดมงคลสูตรไปไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนมันทําหน้าที่เหมือนกันมันเป็นเหมือนอสมอเรือ เลือเป็นเชือกที่จะผูกเรือให้ติดอยู่กับท่าเรือไม่ให้เรือไหลไปตามกระแสน้ำเชือกจะสีเขียวสีแดงสีดำมันก็เป็นเชือกเหมือนกันบทสวดต่างๆจะเป็นบทไหนก็มันก็เป็นกรรมฐานเป็นอนุสติเหมือนกันอนุสติที่จะผูกใจไม่ให้ไหลไปตามกระแสความคิดที่สร้างความเครียดต่างๆให้เกิดขึ้นกับใจข้อสาคัญก็คือต้องมีความภาคเพีย ต้องเอาจริงเอาตังต้องถือว่าเป็นเหมือนกับเป็นการเหมือนเรากำลังจะจมน้ำเนี่ยแล้วเราจะต้องเกาะติดกับอะไรไว้อย่างหนึง่งเช่นเวลามีกระแสน้ำไหลเชี่ยวมาแล้วเราอยู่ในน้ำถูกกระแสน้ำพัดไปพอดีเราไปเจอกิ่งไม้ต้นไม้เข้าเราต้องกอดกิ่งไม้ต้นไม้นั้นไว้อย่างสุดกำลังเลยอย่าปล่อย การเจริญอนุสตินี้ก็เป็นอย่างนั้นถ้าเราอยากที่จะกําจัดความเครียดต่างๆที่เรากําลังมีอยู่กันในขณะนี้เราต้องเกาะกับการสวดมนต์เหมือ น, นกับเรากเกาะกับกิ่งไม้ต้นไม้เพื่อที่ร่างกายของเราจะได้ไม่ถูกกระแสน้ําพัดให้จมตายไปถ้าเรากเกาะติดอยู่กับการเจริญอนุสติอย่างใดอย่างหนึ่ง ยังมีความภาคเพียรยังไม่ยอมหยุดเนี่ยถ้าตาบดยังไม่หายเครียดก็อย่าเพิ่งหยุดสวดหยุดไปท่องไปเรื่อยๆสวดไปเรื่อยๆจนกว่าความเครียดจะหายไปความเบาอกเบาใจสบายใจจะเกิดขึ้นมาแล้วเราค่อยหยุดเนี่ยแล้วถ้าหยุดแล้วสักพักมันกลับมาเครียดใหม่ก็ท่องท่องใหม่อีกครั้งเพราะนี่คือธรรมชาติของการเจริญสติ มันจะไม่สามารถกำจัดความเครียดได้อย่างถาวรมันจะกำจัดได้ในช่วงที่เร า, าจเจริญสติกันพอเราหยุดจเจริญเดี๋ยวความคิดเก่ามันก็จะกลับเข้ามาใหม่แต่ถ้ามันกลับเข้ามาใหม่พอมันจะเริ่มกลับเข้ามาเราก็เริ่มสวดไปทีนี้ไม่ต้องสวดมากเหมือนก็เมื่อก่อนสวดเพียงรอบสองรอบความคิดมันก็หยุดได้ทันที เพราะว่ากระแสะของความคิดนี้มันมันไม่แรงเหมือนตอนที่เราเริ่มต้นสวดกันใหม่ๆตอนที่เราเริ่มต้นหัดสวดกันนี่กระแสะความคิดมันแรงมากแต่พอเราสามารถสวดไปจนกระทั่งเราหยุดกระแสะความคิดในใจได้แล้วเนี่ยพอเวลามันจะเริ่มคิดใหม่นี่เราเพียงแต่สวดแค่จบเดียวมันก็หยุดได้ทันทีเพราะมันเป็นเหมือนน็ตที่จอดแล้วแล้วเพิ่งจะเริ่มวิ่งใหม่ พอมันจะเริ่มวิ่งใหม่เราแตะเบรกแป๊บเดียวมันก็หยุดได้ไม่เหมือนกับรถที่วิ่งอยู่ร้อยหกสิบกิโลต่อชั่วโมงนี้แตะเบรกผลเดียวมันไม่หยุดหรต้องเหยียบเบรกไปอย่างน้อยเกือบครึ่งกิโลมันถึงจะหยุดได้นี่อันนี้ก็เหมือนการจิตของพวเราตอนนี้มันเหมือนรถวิ่งร้อยหกสิบกิโลเมตรจะส่วนอิติปิโส ร, รอบเดียวนี้ไม่พอ ต้องสวดไปเรื่อยๆสวดไปหลายๆรอบด้วยกันสวดไปจนกว่ามันจะหยุดคิดหยุดเครียดแล้วเราก็อหยุดพักได้แล้วเดี๋ยวพอมันจะเริ่มคิดอีกเราก็สวดอีกทีนี้ไม่ต้องสวดหลายรอบแล้วบางทีแค่รอบเดียวหรือครึ่งรอบมันก็หยุดคิดได้มันยากตอนเริ่มต้นนี้เท่านั้นเองตอนที่เราเริ่มหัดสวดกันใหม่ๆพะเราต้องต่อสู้กับ กระแสของความคิดปรุงแต่งที่มันแรงมากแต่พอเราหยุดกระแสความคิดปรุงแต่งได้แล้วพอมันเริ่มคิดใหม่มันจะไม่รุนแรงเหมือนตอนตอนที่เราหัดมาสวดมนต์ใหม่ๆองั้นตอนเริ่มต้นนี้เราต้องมีความภาคเพี่ยนมากต้องมีความอดทนต้องมีความพยายามขอให้เราคิดว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องตายกับจิตใจของเราเลยว่าจะเครียดหรือไม่เครียดจํา จะสู้ทุกข์ได้หรือสู้ทุกข์ไม่ได้ก็อยู่ตรงนี้อยู่ที่ความภาคเพียรของเราถ้าเราภาคเพียรถ้าต่าบใดมันยังคิดอยู่เราก็ต้องไม่หยุดสวดไม่หยุดท่องท่องมันไปเรื่อยๆสวนมันไปเรื่อยๆจนกาความคิดที่ทำให้เราเครียดมันหยุดแล้วความเครียดมันหายไปนั่นแหละเราถึงจะหยุดสวนหยุดท่องได้แล้วทีนี้เราก็คอยระวังดูเฝ้าดูต่อไปว่ามันจะ มันจะคิดอีกหรือเปล่าเพราะมันคิดก็สวดอีกแล้วถ้าเราอยากจะให้มันหยุดคิดนานๆเราก็ต้องทีนี้ต้องนั่งเฉยๆนั่งหลับตาแล้วก็นั่งสวนหรือนั่งดูลมหายใจเขาออกแทนดูลมที่ปลายจมูกลมเข้าลมออกให้ดูเฉยๆดูเพื่อไม่ให้ไปคิดไม่ให้ไปคิดกับเรื่องราวต่าง ดูไปเรื่อยๆหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกถ้าดูลมไม่ได้จะพุทโธก็ได้จะสวดอิติปิโสต่อก็ได้ถ้าถวดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันนิ่งขึ้นมามันเหมือนจะตกหลุมตกบ่อมันเหมือนรถที่หยุดชะ ง, งักกึ๊กแล้วจิตก็จะนิ่งสงบแล้วตอนนั้นมันจะนิ่งได้นานนิ่งได้เป็นหลายนาทีหลายสิบนาที แต่ใหม่ๆมันจะนิ่งเดี๋ยวเดียวแบบงูลาบลิ้นแต่ถ้าเรานั่งบ่อยๆทําบ่อยๆต่อไปมันจะนิ่งได้นานนะนิ่งทีละสิบนาทียี่สิบนาทีสามสิบนาทีจะดีกว่าตอนที่เราจเจริญสติโดยที่ไม่ได้นั่งนะตอนที่เรจเริเจริญสติมันจะนิ่งตอนที่เราคิดเราท่องเราสวดพอเราหยุดท่องหยุดสวดแป๊บเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่ได้ แต่ถ้าเรานั่งสมาธิได้นี่เวลามันนิ่งมันจะนิ่งได้นานกว่าได้ยากกว่าแล้วเราจะรู้สึกเบา อ, อกเบาใจสบาย อ, อกสบายใจแล้วเรารู้ว่าโอ้ยเราพ้นภยัยละเรารู้วิธีแก้ความเครียดของเราแล้วทุกครั้งเวลาที่เราเกิดความเครียดขึ้นมาเราก็มานั่งสมาธิกันมาเจริญกรรมาฐานบทใดบทหนึ่งส่วนมนต์ก่อนก็ได้ทำ ไม่ต้องสวดได้ดูลมได้ก็ดูลมไปเลยก็ได้แล้วไม่นานห้านาทีสิบนาทีจิตก็นิ่งสงบไปยาวเป็นสามสิบนาทีสี่สิบนาทีไปเนี่ยต่อไปเราก็จะมีที่พึ่งแล้วมีที่หลบภัยแล้วเราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายแะที่พึ่งตอนนี้ยังเป็นที่พึ่งแบบชือกข่าวอยู่เพราะพอพ อ, ออกจากสมาธิมา พอเราเผลอสติความคิดที่จะทำให้เครียดก็กลับมาใหม่ได้ถ้าอยากจะให้มันหายขาดขั้นต่อไปเราก็ต้องใช้ปัญญาเวลาเครียดก็ต้องพิจารณาว่าสิ่งที่เราเครียดเราไปทำอะไรได้หรือเปล่าจะนั่งกายจะไปทำให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็อยากไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ปล่อยมันตอนนี้มันจะเจ็บก็ให้มันเจ็บไปมันจะตายก็ให้มันเจ็บให้มันตายไปเพราะมันไม่ตายวันนี้มันก็ต้องตายพรุ่งนี้ะมันต้องมีวันตายของมันไม่ช้าก็แล้วไม่มีใครมาห้ามมันได้แม้แต่จะมีสติมีปัญญาก็ห้ามมันไม่ได้แต่ปัญญานี้จะมาห้ามใจไม่ให้เครียดได้เพราะจะสอนใจให้ปล่อยวางปล่อยวางสิ่งที่ทําให้เราเครียดปล่อยวางร่างกาย พอปล่อยได้นะทีนี้ใจก็จะไม่เครียดกับร่างกายกต่อไปไม่อยู่ไม่เข้าไม่ต้องเข้าในสมาธิก็ได้พอเห็นร่างกายเมื่อก่อนจะคิดจะวิตกกังวลพอเห็นด้วยปัญญาว่ามันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วปล่อยวางมันได้แล้วทีนี้มันไม่เครียดแล้วเห็นทีใดก็เฉยเพราะมันรู้ว่าไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงความจริงของร่างกายไม่ได้ นี่คือขั้นที่สองคือการใช้ปัญญาต้องพิจารณาตายรับในสิ่งที่ทำให้เราเครียดล้วเราจะหายเครียดเพราะเราจะปล่อยวางเพราะเรารู้ว่าเราทำอะไรไม่ได้แต่เรารู้ว่าการปล่อยวางนี่หละเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับเราเพราะเมื่อเราปล่อยวางแล้วใจเราก็จะหายเครียดใจเราก็จะมีความสุขทําการความทุกข์ของร่างกายร่างกายมันทุกข์ก็เป็นเรื่องของร่างกาย แต่มันจะไม่มาทำให้ใจเราทุกข์เพราะใจเราปล่อยวางร่างกายได้นั่นเองนี่นี่คือวิธีที่เราจะใช้กันในช่วงนี้ในช่วงที่เรามีความทุกข์มีความเครียดมีความวุ่นวายใจไปเกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายของร่างกายถ้าเรามาสร้างความสงบภายในใจด้วยการปฏิบัติสติปฏิบัติสมาธิปฏิบัติปัญญา เราก็จะมีเครื่องมือที่จะมารักษาใจของเราให้นิ่งให้สงบไม่ให้ทุกข์ไม่ให้เครียดกับความเป็นความตายของร่างกายอีกต่อไปเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขตายอย่างมีความสุขเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างมีความสุขไม่ไม่เครียดไม่กังวลไม่เดือดร้อนนี่คือเรื่องเราที่ เกี่ยวกับเรื่องของความทุกข์ความกังวลใจเกี่ยวกับโรคระบาดต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะนี้ที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุมโมทนาให้พอรอยะถาวาริวาหาปูราปาริปเรนติสาคัม เอวเมวะฮิโตทินังเปตานังอุปกักปติยิชิตังปฏทิตังตุมหังคิดว่าเมวะสมิจจโตสัพเเอปุเรนโตสังกปาจันโทปันาระโสยทามณีโชติระโสยทาสัพพิติโยวิวัชานตต สัพพะโรโขวินัสสตุมาเตภวะตวันตราโยสุขีทิคายุโกภวะอภิวาธนสีลิสานิจังวุฒาปจายโนจตารโอธรรมวทาติอายุวันโสุขังภาณั ช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครอยากจะถามอะไรเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าถ้าจะถามหลังจากเลิกแล้วจะไม่สะดวกว่าจะต้องมีการทำอะไรอย่างอื่นอีกถ้าไม่อยากจะถามเองเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ กลับ น, นมามัสการเจ้าค่ะวันนี้ยอดทางเฟซบุ๊กมีห้าร้อยสสิบแปดท่านเจ้าค่ะย o u t u สี่ร้อยสสิบห้าท่านวิดยุออนไลน์ย0สิบท่านผู้รับฟังบนเขาหนึ่ง้อยสิบสี่ท่านรวมทั้งหมดมีหนึ่งพันหนึ่งรอยี่สิบเจ็ดท่านเจ้าค่ะเป็ดยอดเ <c oughs> <c oughs> ป็ดยอดสงสุดนะเกือบจะสงสุนะ ยอดสูงสุดพันสองน่นอันนี้ก็ปิดท้ายรายการสำหรับช่วงนี้เฟสนี่เดี๋ยวเฟสสองร้อยรอดูเลือกดูยามก่อน <c oughs> <c oughs> อมีคำถามเชิญเข้ามาส่งใหม่ไปให้เา <c oughs> นั่งตรงนั้นก็ได้ <c oughs> น, น, นั่งตรงนั้นก็ได้เดี๋ยวจะส่งใหม่ไปให้ ดีครับดีครับปลอสภัยดีครับอขอ ก, บาการรักษาการนะครับแล้วก็ขอถามคาถามซึ่งที่ว่าผมนั้นอ่าได้ปฏิบัตินะครับแล้วก็ภาวนาคําว่าพุโทโธตลอดแล้วคราวนี้ว่าภาวนาคําว่าพุโทโธแล้วมันมันมันนอนไม่หลับอะครับ คือมันอยู่ในถ้าไม่นอนไม่หลับก็หยุดคือคือผมผมนอนไม่หลับผมก็อยากจะมาถามพระอาจารย์นะครับว่ามันมันมันมันเกินมันเกินเวลาไงเวลาหลับก็ไม่ต้องไปภาวนาพุทโธดูลมเฉยเฉยอ๋ให้ทอดดูลมเฉยเฉยใช่ไหมอย่าไปท่องเพราะท่องจิตมันก็ต้องทํางานมันก็เลยไม่หลับมันเหมือนกําลังคิดอยู่ถ้าพุทโธพุทโธแล้วไม่หลับก็หยุดพุทโธ ครับแล้วก็หมายถึงว่าวางอุเบกขาลงแล้วก็ดูลมหายใจใช่ไหมครับ ด, ดูเฉยๆไปดูความคิดไปถ้ามันจะคิดก็หยุดคิดอย่าให้มันคิดนะอ๋อครับขอบคุณมากครับมีเรื่องถา ม, ถามครับเนี่ยครับที่มันนอนไม่หลับเพราะมันคิดเนี่ยฉั้นต้องดูความคิดแล้วก็อย่าให้มันคิดเนี่ยดูลมไปถ้ามันคิดก็ดูลมไปอย่าไปสนใจกับความคิดเนี่ยถ้าเดี๋ยวก็หลับ แล้วก็อย่าไปอยากหลับยิ่งอยากหลับยิ่งไม่หลับใหญ่อ่าใช่ครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับผมมันหลับไม่หลับเมื่อไม่สนใจดูลมไปหยุดความคิดไปนะเดี๋ยวมันก็หลับแลครับครับขอบคุณมากครับมีคำถามจากคุณสุพัชชานะคะขณะนั่งสมาธิยังมีความคิดเข้ามาเรื่อย ไม่ค่อยมากเหมือนเมื่อก่อนและเมื่อเจอเวทนาก็เห็นว่าใจกับความปวดที่ขาไม่เขี่ยกล้องกันจากห้าสิบนาทีตอนนี้ได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งค่ะแต่ยังไม่พบกับความนิ่งสงบแบบว่างค่ะพอจะปฏิบัติถูกต้องไหมคะหรือต้องปรับปรุงอย่างไรคะก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆจิตมันยังไม่ปล่อย ถ้าปล่อยแล้วมันก็จะสงบมันยังไม่ปล่อยเวทนามันยังมีความอยากให้มันหายอยู่เั้นต้องอย่าไปอยากให้มันหายมันจะอยู่ก็ปล่อยมันอยู่ไปเราก็พุทโธไปดูลมไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะสงบตัวลงเองคำถามที่สองนะคะตอนนี้ลูกกำลังต่อสู้กับความคิดอกุศลชอบแทรกเข้ามาขณะปฏิบัติ โดยเฉพาะการประมมทพระรัตนาตัยไม่อยากให้ความคิดแบบนี้โผลมาเลยค่ะลูกจะบาปใหมคะพยายามต่อสู้โดยท่องพุทโทถีขึ้นและสอนตนว่าชาติก่อนไม่รู้ทำบาปกรรมอะไรบ้างแต่ตอนนี้เพียงปฏิบัติภาวนาก็เพื่อชำระใจให้สูงขึ้นสายธทเจ้าค่ะก็ลองเจริญบทพุทธคุณเดือน พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณสวดีติโโปิโสไปหลายหลายจบเวลามันจะปามาจ็สวดบทพุทธคุณอิติปิโสปะกวาอลางังสัมมาสัมพุทโธไปแล้วเดี๋ยวต่อไปมันก็จะหยุดเองคำถามต่อไปจากคุณสารสวดีนะคะถ้าเราพิจารณาแล้วเห็นว่าเราตายทุกลมหายใจ เรายอมรับความจริงในธรรมะข้อนี้ว่าเราตายตลอดเวลาจะถือธรรมนี้เป็นฐานของสติได้หรือไม่คะก็เป็นการเจริญสติอย่างหนึ่งมันทาถ้าเรามันหยุดความคิดต่างๆได้นะถ้ามันยังคิดอยู่มันไม่หยุดก็ยังใช้ไม่ได้นะเป้าหมายของการมีสติก็เพื่อหยุดความคิดเนี่ย ถ้ามีสติแล้วยังหยุดความคิดไม่ได้ก็ต้องเจริญต่อไปอย่าไปไหลไปตามความคิดให้อยู่กับอารมณ์ที่เราใช้เป็นอารมณ์ของสติถ้าคิดถึงความตายก็ให้คิดถึงความตายอย่างพระพุทธเจ้าบอกพระอนุ์หายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายให้ท่องอย่างนี้ไปคิดอย่างนี้ไปมันก็จะไปคิดเรื่องอย่างอื่นไม่ได้ คำถามต่อไปจาก YouTube นะคะผมนั่งสมาธิแล้วมีอาการเหมือนวูบตกไปมีความนิ่งสงบมากได้เพียงแป๊บเดียวบังเอิญมีรถวิ่งเสียงดังทำให้เรารู้สึกตัวและออกจากสมาธิทันทีผมต้องทำอย่างไรเพื่อให้อยู่ในสมาธิได้นานขึ้นขอรับก็ทำแบบเดิมเพียงแต่ว่าเพิ่มการเจริญสติให้มากขึ้น เวลาทำอะไรก็ฝึกสติควบคู่ไปด้วยพุโทโธไปด้วยอาบน้ำก็พุโทโธล้างหน้าแปรงฟันก็พุโทโธรับประทานอาหารก็พุโทโธอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆแล้วพอเวลามานั่งก็นั่งแบบที่เราเคยนั่งต่อไปเดี๋ยวมันก็จะสงบได้นานไปเองคำถามจากเ c e b ุ o k นะคะจากคุณนรงชยัยแกรบเรียนถามพระอาจารย์ นั่งสมาธินานประมาณหนึ่งชั่วโมงบ่อยครั้งจิตไม่สงบยังฟุง้งจะมีประโยชน์เกิดการพัฒนาสติสมาธิหรือไม่ครับเคยมีน้ำตาไหลตัวสันแล้วเห็นภาพพระและพ่อแม่ที่เสียไปนานแล้วมายืนยิ้มตรงหน้าโดยมีสติรู้ตัวตลอดเป็นจริงได้ไหมครับ ก็มันก็ปรากฏเนี่ยนะจะว่าจริงหรือไม่จริงมันก็จริงของเราแหะแต่ไอสิ่งที่มาปรากฏมันจริงหรือไม่จริงไม่รู้ว่าแต่การปรากฏน่ะมันจริงก็ให้รู้เฉยๆรู้ว่ามันเกิดแล้วเดียวมันก็ดับไปไม่ต้องไปสนใจมันอาจจะเป็นภาพมายาก็ได้ไม่ต้องไปกังวลเราห้ามมันไม่ได้ห้ามมันให้มันโผล่ขึ้นมาไม่ได้แล้วเราก็สั่งมันไม่ได้บางทีเราอยากให้มันโผล่มันก็ไม่โผล่ขึ้นมา นอย่าไปสนใจมาแล้วก็ไปคิดอย่างนี้เหมือนเสียงรูปเสียงที่เราได้ยินได้เห็นมันมาแล้วก็ไปไม่ต้องไปมีอะไรไปไปผูกพันกับมันผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเป็นอดีตไปแล้วให้เราอยู่ในปัจจุบันอยู่กับพุโทโธอยู่กับสติไปเรื่อยค่ะคำถามจากคุณสาลีเอมบี MB. แกรบนวมัสการพระอาจารย์ค่ะผิดไหมคะที่หนูไม่มีความอยากจะเป็นในตำแหน่งที่สูงขึ้นเหมือนเพื่อนร่วมรุ่นคนอื่นๆที่เขามีความก้าวหน้าในตำแหน่งที่สูงขึ้นถ้าพ่อแม่อยากให้เราเป็นในตำแหน่งที่สูงขึ้นแต่ใจตัวหนูไม่อยากทาให้พ่อแม่ทุกข์ใจแบบนี้จะบาปไหมคะอ๋อไม่บาปหรอกพ่อแม่ของพระเจ้าก็อย่างนั้น ให้พระพุทธเจ้าเป็นมหาจักรพรรดิเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าท่านก็อยากจะเป็นพระพุทธเจ้าเพราะการเป็นพระพุทธเจ้านี้ดีกว่าเป็นมหาจักรพรรดิเพราะเป็นมหาจักรพรรดิก็ยังต้องทุกข์อยู่เป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่ทุกข์เหมือนกับหนูหนูไม่อยากเป็นใหญ่เป็นใหญ่แล้วมันก็ยังทุกข์อยู่สู้ไม่เป็นใหญ่มันสบายกว่าเวลาไม่มีความอยากเป็นอะไรมันก็ไม่ทุกข์เนี่ย เย็นรนู้นทำถูกทางแล้วความทุกข์ของพ่อแม่เป็นความทุกข์ของกิเลสของพ่อแม่เราไม่ได้เป็นความทุกข์ของเราที่เกิดจากการกระทาของเราเย็งนก็ห้ามเขาไม่ได้เขาอยากจะทุกข์ก็เรื่องของเขาไปแต่เราก็ทาตามที่มันถูกสำหรับเรามเมื่อเราไม่อยากแล้วเราสบายใจเราก็ไม่อยากไปเราก็ทำของเราไปถ้าอยากแล้วเราทุกข์เราไปทุกทำไมไปอยากทำไม คำถามจากบนเขานะคะเวลาที่จิตเป็นสมาธิเราจะยังได้ยินเสียงอยู่ไหมมีสองแบบ ส, สมาธิแบบได้ยินเสียงก็มีรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสก็มีหรือแบบหายไปหมดเลยก็มีเหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวก็เป็นสองแบบแต่ที่เหมือนกันคือเป็นอุบเบกขาด้วยกันทั้งสองแบบคือใจจะเฉย จะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงถ้ามีรูปเสียงกิจลดมาให้รับรูก้ก็เฉยเฉยไม่วุ่นวายใจไปกับมัน น, นี่คือกแล้วแต่กําลังของสติสติถ้ามากมันก็จะแบบรวมเต็มร้อยไปเลยร่างกายหายไปเลยรูปเสียงกิจลดหายไปเลยเหลือแต่สักแต่ว่ารู้ตัวเดียวะ แต่ถ้าลงไม่เต็มร้อยนี่มันยังรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสอยู่แต่ไม่มีอารมณ์วุ่นวายไปกับรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยคำถามข้อที่สองนะคะถ้านั่งไปนานๆสงบแล้วจะไปจบที่ความรู้สึกหรืออย่างไรหรือจะสงบนานไปเรื่อยๆไม่มีจุดจบก็มันจะอยู่ได้สักพักจนกว่ากำลังของสติหมดลง ความคิดปรุงแต่งมันก็จะํำคิดปรุงแต่งขึ้นมาแล้วความอยากก็จะผักดันให้ใจเราออกจากสมาธิเพื่อมาหารูปเสียงกลิ่นรสใหม่ถ้าเราอยากจะกลับเข้าไปใหม่เราก็ต้องเจริญสติใหม่หยุดความคิดหยุดความอยากใหม่อันนี้ในระดับของสมาธิจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าในระดับของปัญญาพอเกิดความคิดปรุงแต่งขึ้นมาก็ใช้ปัญญามาหยุดความอยาก พอหยุดความอยากได้ด้วยปัญญาคือเห็นตายลักในสิ่งที่เราอยากต่อไปความอยากความคิดเหล่านั้นก็จะไม่โผล่ขึ้นมาก็จะไม่มีอะไรมาทำให้จิตออกจากความสงบจิตก็จะสงบไปเรื่อยๆคำถามจากคุณนรงชัยนะคะกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับ เราจะสังเกตอย่างไรว่าเรามีการก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมครับเราก็มีสติมากขึ้นเลยมีสติใจเราอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นไม่ลอยไปกับความคิดในอดีตที่ผ่านมาแล้วไม่ลอยไปกับความคิดในอนาคตมีสติแลเลิกดื้ออยู่ในปัจจุบันรู้ว่าเรากำลังเดินยืนนั่งนอนกำลังทำอะไรใจเราจะเย็นขึ้นเบาขึ้นสบายขึ้น ความเครียดความทุกข์ต่างๆจะน้อยลงไปความโลภความอยากความโกรธความหลงจะน้อยลงไปเรียกว่าก้าวหน้า้องดูอย่างนี้คำถามจากคุณสุวิมลบุรพันธ์นะคะกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะเวลานั่งสมาธิเหมือนจะสงบแต่ไม่สงบในใจลึกๆเหมือนอยากจะสงบยิ่งไม่ค่อยสงบค่ะ หรือบางครั้งจะแค่นิ่งๆยุบๆลงไปนิดนึงคะ่ะควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อดีคะควรจะมาดูมีสติอยู่กับพุทโธหรืออยู่กับลมหายใจอย่าไปสนใจกับว่ามันจะสงบหรือไม่สงบพอเราไปสนใจเราก็หยุดภาวนามันก็เลยไม่สงบเราต้องภาวนาไปเรื่อยๆอย่าไปสนใจว่ามันจะสงบหรือไม่สงบอย่าไปอยากให้มันสงบ ให้อยู่กับพุโทโธไปหรืออยู่กับลมหายใจไปอย่าทิ้งลมอย่าทิ้งพุโทโธแล้วเดี๋ยวมันก็จะสงบเองคําถามจากคุณสรัญญากระบนมัสการค่ะขอเรียนถามเจ้าค่ะก่อนเข้าสมาธิ โยมจะ ก, กำหนดจิตไล่ไปตามร่างกายตั้งแต่ศตีรษะจะลดปลายเท้าประมาณสองรอบแล้วค่อยๆภาวนาพุโทโธต่อรู้สึกว่าเข้าสมาธิได้ง่ายขึ้นถือเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องไหมคะการกำหนดแบบนี้เป็นกรรมฐานแบบไหนคะก็เป็นการเจริญกายกัตตาสติก่อนทบทวนอาการต่างๆของร่างกายจากศีรษะลงมาถึงเท้าจากเท้ากลับขึ้นมา ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไปแล้วใอยมาดูลมหายใจหรือมาพุทธโธต่อก็ได้ขอให้ดูผลที่เกิดขึ้นก็แล้วกั น, กนถ้าจิตสงบก็ใช้ได้คนเราจิตของแต่ละคนจะสงบนี้บางทีมีลวดลายเยอะมีลีลายเยอะบางคนก็ต้องลัมต้องเต้นก่อน <c oughs> บางคนก็ไม่ต้องลัมต้องเต้นขึ้นไปก็ชกกันเลย งันแต่ละาิติสายของคนเราไม่เหมือนกันเน่าเราอย่าไปเอาแบบของคนอื่นเราต้องเอาแบบของเราแบบไหนที่ทำให้เราสงบเราก็เอาแบบนั้นไปคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะแกรบนมัสการพระอาจารย์ค่ะทำอย่างไรถึงจะตัดใจวางไม่ห่วงลูกได้คะเพราะลูกยังเล็ก แต่ก็คิดเสมอว่าเราจะตายเมื่อไหร่ก็ได้จากอะไรก็ได้แต่ก็ตัดได้ทำใจไม่ได้สักทีค่ะก็คิดว่ามันเป็นเจ้าหนี้เราเลยเนี่ยมันมาทวงหนี้เราเนี่ยเดี๋ยวมันยิ่งโตมันยิ่งแบมือออกมาเลยพ่อแม่ของเงินของเงินเห็นไหมเนี่ยมันมาเก็บเงินมันมาทวงหนี้เก่าเราถ้ามันเจ้าหนี้ตายก็จะสบายไม่มีใครมาทวงหนี้ คิดว่าลูกเป็นเจ้าหนี้แล้วเราก็จะปล่อยมันได้ถ้าไปคิดว่ามันเป็นลูกหนี้เราก็ปล่อยไม่ได้มันเป็นลูกหนี้แล้วเป็นเจ้าหนี้กันนะ่คำถามจากโค้ดโอนะ๊ตแกรบนามัส ก, การพระอาจารย์ครับโรคโควิดสิบเก เป็นการชักยายของพวกมารถาวรครับหากเป็นเช่นนั้นเราใช้การสุอชินวัญชรและนั่งสมาธิเพื่อส่งกระแสพลังงานไปช่วยเผาผ่านจะได้ใหมครับกราบขอขมาหากคําถามไม่เหมาะสมกับทางโลกกับผมเห็นเช่นนั้นในการทําสมาธิครับอ๋อโควิดนี้มันเป็นเรื่องของทางร่างกายไม่ใช่เรื่องจิตใจมานี้เป็นเป็นเรื่องของจิตใจ เย่นั้นมันคนละเรื่องกันไม่เกี่ยวกันโควิดนี้มันเป็นเป็นเรื่องปกติของร่างกายไม่มีโควิดก็มีอาหิวาไม่มีอาหวิวาก็มีโรคอย่างอื่นเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆอันนี้ไม่ใช่เป็นมารเป็นโรคของร่างกายโรคของใจมารของร่างกายนี้เกิดจากกิเลสตัณหาของใจที่จะต้องใช้ธรรมะคือสติปัญญามากาจัดมัน คำถามจากคุณวีระพงศ์กระาบเรียนพระอาจารย์เวลาเรามีความสุขจะมีความคิดขึ้นมาเสมอว่าชีวิตเราไม่ใช่ตัวจริงสักวันเราต้องตายทำให้จิตเราหดหูเป็นเพราะอะไรครับผมเพราะจิตเรายังไม่สงบถ้าจิตสงบแล้วพอเห็นความจริงของร่างกายจะไม่หดหูจะกลับสงบมากขึ้นและจะปล่อยวางร่างกาย พะรู้ว่าอาการหดหูนี่เกิดจากการประยึดไปติดกับร่างกายนั่นเองถ้าปล่อยร่างกายได้แล้วใจก็จะหายหดหูคำถามจากคุณขวัญถ้ากลางวันเจริญสติ กลางคืนก่อนนอนนั่งสมาธิห้าสิบนาทีถือว่าทำได้แล้วจะมีโอกาสพัฒนาใหม่คะมีถ้าทำได้ขนาดนี้ก็ต่อไปก็นั่งได้เป็นชั่วโมงอย่างนั้นทำต่อไปทำไปเรื่อยๆค่อยๆเพิ่มมันไปทีละนาทีสองนาทีคำถามจากคุณหมอกควันเทวดาการเจริญเมตตาหรือการแผ่เมตตาต้องมาจากการนึก คิดในตอนนั้นหรือมาจากการเมตตาคนอื่นจนเคยชินถึงจะเป็นการแผ่เมตตาที่ถูกต้องครับการแผ่เมตตาถูกต้องก็แผ่ตอนที่เกิดเหตุการณ์เช่นใครมาขอความช่วยเหลือเราเราก็ให้ความช่วยเหลือเขาอันนี้เราก็แผ่เมตตาแต่ถ้าเรานั่งสวดคนเดียวสัพเพสัตต า, านี้มันไม่ได้แผ่เป็นการสอนใจให้คิดไปในทางให้มีความเมตตา เพื่อเวลาเวลาเจอเหตุการณ์ที่จะต้องแผ่เมตตาจะได้แผ่ได้คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามทำไมพอเราปฏิบัติธรรมแล้วยังมีสติหลุดออกมาเจ้าคะแล้วจะทำยังไงจะไม่ให้สติหลุดเจ้าคะลูกก็พยายามมีพุทโธแล้วเจ้าคะสติของเรายังไม่ตั้งมั่นนั่นเองยังไม่สถียือนยังน้มลุกคุกคานอยู่ เราต้องหมัน่นเจริญสติเรื่อยๆจนกว่ามันจะกลายเป็นสติที่มั่นคงถ้ายังไม่มั่นคงมันก็ยังล้มลุกคุกคานอยู่เดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็โผล่แต่ถ้าเราหมั่นตั้งอยู่เรื่อยๆต่อไปมันจะมีสติเป็นสัมปชัญญะคือต่อเนื่องไม่หาย คำถามจากคุณณชากราบเรียนถามตอนนี้นั่งสมาธินิ่งได้มากขึ้นแล้วมีความรู้สึกเหมือนลอยอยู่ในอวกาศแบบนี้ต้องทําอย่างไรต่อคะแล้วอแล้วจะต้องเดินปัญญาเมื่อไหร่เจ้าคะเวลาทําสมาธิก็ยังเดินปัญญาไม่ได้ทําสมาธิเพื่อให้ใจนิ่งให้เบาให้สบาย เวลาออกจากสมาธิมาเริ่มคิดปรุงแต่งก็จเจริญปัญญาได้พิจารณาไตาลักษ์ในร่างกายในสิ่งต่างๆได้คำถามจากคุณภัยทูลการปฏิบัติธรรมแบบพระกับคารวะมีจุดมุ่งหมายเหมือนกันหรือไม่ครับมุ่งหมายอันเดียวกันต่างกันตรงที่ทำมากทำน้อย ถ้าเป็นคารวะก็มีเวลาน้อยกว่าพระเป็นพระมีเวลามากกว่าเพราะพระไม่ต้องไปทำมาหากินแต่การปฏิบัติก็เหมือนกันศีล ส, สมาธิปัญญาเหมือนกันคำถามหมดแล้วเจ้าค่ะมีใครสงสัยอะไรอีกไหมจอยากจะถามก็ยังถามได้อยู่ตอนนี้เพราะต่อไปก็จะไม่ได้ขึ้นมาถาม ว่าต้องพักชั่วข่าวงดไว้ก่อนเพราะไม่ต้องการให้มารวมตัวกันเพราะการรวมตัวกันมันก็มีโอกาสที่จะแพร่กระจายเชื้อให้กับคนอื่นได้ง่ายเืเดี๋ยวเข้ามาเิขึ้นมาไม่ได้ยินต้องพูดด้วยไมโครโฟน ขางล่งเขายังบวชอยู่นะถ้ทาที่ได้ยินเนะ่ยต้องไปติดต่อที่สํานักงานของวัดเดี๋ยวก็ตอนนี้ยังมีพวกนุ่งขาวหอมขาวมาอยู่กันอยู่ว่าเกิดโควิดก็เลยงดเหมือนกันไม่แน่นะอาจจะงดต่อไปก็ได้แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ข่าวว่างดนะเพื่อเพื่อบรรลุผลเขาเกิดหยุดให้ให้ทํางานไม่ได้มาบวชก็ไปติดต่อได้ อ, อเดี๋ยวนี้จะปิดกันเยอะแล้ว มีคําถามจากหม่อมหลวงสิทธิโชคสวัสดีวัดค่ะวัดยานสังวรารามบวชที่นั่นได้ไหมขอรับหรือต้องไปบวชที่อื่นมาก่อนวัดที่กมกทมบวชวัดไหนดีขอรับแล้วแต่เราจะสะดวกสะดวกที่วัดไหนก็บวชที่วัดนั้นไปเจ้าจาวัดบวชวัดยานก็ต้องไปติดต่อกับเจ้าอาวาสวัดยานท่านก็จะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะรับบวชหรือไม่รับบวช ขอคถามอีกคำถามหนึ่งนะคะโยมเป็นศิษย์ทางบ้านอยากไปถือศีลแปดปฏิบัติธรรมที่วัดพระอาจารย์เนื่องจากสั ป, ปะยะและการปฏิบัติแต่ละครั้งมีกี่วันเจ้าคะ่ะมีใหม่เจ้าคะถ้าปฏิบัติที่วัดญาณเขาให้อนุญาตให้อยู่ได้ครั้งละเจ็ดวันเจ็ดคืนแต่ถ้าขึ้นมาบนเขาในช่วงนี้จะงดรับก่อนเพราะว่า ไม่ไม่ต้องการที่จะเอาคนแปลกหน้าเข้ามาอยู่ร่วมกันเพราะว่าไม่รู้มีเชื้อหรือไม่มีเชื้อเลยต้องของดไว้ก่อนแต่ทางวัดยานี่ไม่ทราบว่าเขางดหรื อ, อยังต้องไปติดต่อกับทางวัดยานโดยตรงถึงจะรู้มีคำถามจากคุณรัดดาค่ะ คาวาสมีโอกาสบรรลุธรรมได้หรือไม่ในเงื่อนไขอย่างไรมีโอกาสเท่าๆกันทุกคนอยู่ที่ว่าปฏิบัติได้หรือไม่ได้เท่านั้นเองถ้าปฏิบัติได้ก็บรรลุธรรมได้ทุกคนแม้แต่เด็กก็บรรลุธรรมได้สมัยพระพุทธการนี่มีสัมมาเนรบรรลุเป็นผ้าอหารหันก็มีมีคาวาสที่ไม่ได้บวชบรรลุเป็นผ้าอหารหันก็มีไม่ได้อยู่ที่เพศที่วัย อยู่ที่ความสามารถที่จะปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้หรือไม่เท่านั้น คำถามจากคุณหมอควันเทวดาเคยภาวนาสักพักสมัยบวชเป็นเนนแล้วผลเห็นร่างกายตัวเองเริ่มเน่าเปื่อยบวมจนแห้งแล้วมีไฟลุกผมก็ตกใจกลัวเลยกลับมานั่งอีกทีก็กลัวผีเลยไม่กล้านั่งต่อไปเป็นเพราะอะไรครับหรือผมอุปทานไปเองครับเพราะใจเรายังไม่กล้ายังไม่ยังไม่แข็งยังไม่มีสมาธิพองั้นฝึกสมาธิไปก่อน อยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปเวลาเกิดภาพอะไรอย่าไปตามรู้อย่าไปสนใจให้กลับมาที่พุโทโธพุธโทโธแล้วภาพต่างๆเดี๋ยวมันก็จะหายไปทำจิตให้สงบให้เป็นอเบคขาก่อนแล้วต่อไปถ้ามีภาพปรากฏขึ้นมาก็ดูมันได้ถ้ามันเป็นภาพที่จะทาให้เกิดปัญญาก็ดูมันถ้าเป็นภาพที่ไม่มีสาระก็อย่าไปดูมัน คำถามจากโค้ชโอ๊ตนะคะผมจะปฏิบัติตามที่พระอาจารย์แนะนำคือเพ่งความร้อนเผาร่างกายเราสามารถเดินปัญญาไปพร้อมกันได้เลยไหมใช่ไหมใช่ไหมครับและหากเราเดินและหากเราจะจินตนาการแยกเวทนาออกจากร่างกายด้วยเขาสามารถทำได้ใช่ไหมครับ คือถ้ามันถ้ามันอยู่ในร่างกายเราไปจินตนาการให้มันออกไปไม่ได้เราต้องจินตนาการไปตามความเป็นจริงถ้ามันมีวิทนาอยู่ในร่างกายเราก็ต้องจินตนาว่ามันยังอยู่ในร่างกายอยู่<อ>ก็เปรียบเทียบว่ามันเป็นเหมือนไฟเผาร่างกายก็ปล่อยมันเผาไป ไม่ใช่ไปแยกเอาเวทนาจากการจินตนาการออกจากร่างกายมันยากไม่ได้มันไปยากมันก็ไม่ไปยังให้มันอยู่กับความเป็นจริงล้วต้องจินตนาการตามความเป็นจริงมันถึงจะเป็นไปตามความเป็นจริงแล้วมันก็จะทำให้จิตเห็นสภาพความไม่เที่ยงของร่างกายความไม่เที่ยงของเวทนาในที่สุดมันก็จะสงบตัวลง เมื่อร่างกายกลายเป็นดินไปเวทนาก็หายไปร่างกายก็หายไปกลายเป็นดินก็เหลือแต่ตัวจิตตัวรู้ตัวเดียวหมดแล้วเจ้าค่ะ okay. อยากจะถามอะไรไหมไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำมาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองในทางธรรมโดยทั่วหน้ากันเธิดสาธุแล้วก็ขอให้แข้วคาดปลอดภัยกันทุกคนนะแล้วกลับมาเจอกันใหม่